เก้าสบปดนิยตตะทุกละหนึ่งถึงหกปฏิเจวาระสามรอยี่สิบเกสภาวะธรรมที่ให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวะธรรมที่ให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวะธรรมที่ให้ผลแน่นอนเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นยอ่อพึงทำเป็นปหาา้ว า, นว า, าวาระปฏิจจวาระสหชาตวาระปัจยวาระนิสยวาระสังสัวาระและสัมปยุตตวาระพึงทำเหมือนนิยานิกทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันการระบุ ข, ข้อความแตกต่างกัน98นิยตทุกะ เปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจยัยสามสภาวะธรรมที่ผลแน่นอนเป็นปัจจยัยแห่สภาวะธรรมที่ผลแน่นอนโดยเหตุปัจจยัยมีสี่วาระเหมือนกับนิยานิกะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันอารามณปัจจยัย3ามสอดสภาวะธรรมที่ผลแน่นอน เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอภรรทั้งสองนั้นโดยอ ร, รมณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามรรคพิจารณากิเลสที่ให้ผลแน่นอนซึ่งละได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ให้ผลแน่นอนด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่ผลแน่นอน เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณโอเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคขญาณอนาคตังสญาณและอวชนะจิตโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยอรมณ์ปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้ว ออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นราคะที่ใผลไม่แน่นอนจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจฉาอุทจจะโทมนัตที่ให้ผลไม่แน่นอนจึงเกิดขึ้ น, ร น, น, น, น, นพระอริยะพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานผลและอวัชนะจิตโดยอารมณะปัจจัย พระอริยะพิจารณากิเลสที่ให้ผลไม่แน่นอนซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุขาไทยวัตถุและขันที่ให้ผลไม่แน่นอนโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะโทมนัตจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่พระจักขุ และถึงเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยอารมณปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอารมณปัจจัยรูปชีวิตินสีเป็นปัจจัยแก่มาตุข้าตกรรมปิตุข้าตกรรมอรหันตฆาตกรรมและโรหิตุปาตกรรมโด ย, โดยอารมณปัจจัย ขันที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนของบุคคลผู้ยึดมั่นหาไทยวัตถุใดเกิดขึ้นหาไทยวัตถุนั้นเป็นปัจจัยแขงขันที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนโดยอรมณะปัจจัยอธิปติปัจจัยสามสภาวะรมที่ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแฝ่สภาวะรมที่ผลแน่นอนโดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎีรม ท, ที่ผลแน่นอน เป็นปัจจัยแขสัมพยุตตขันโดยธิปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยทีิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออา ร, รมณนาทิปติและสหชาตาทิปติอารมณนาทิปติได้แก่พระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามากให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ผลแน่นอน เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ผลแน่นอนและที่ให้ผลไม่แน่นอนโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวเครือหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่ฌานพุทธะขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัย3ามสา สภาวะธระรทมที่ไม่แน่นอนโดัวการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดัวการทั้งสองนั้นโดยที่ปฏิปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณนาธิปติและสาหาชาตาธิปติอารมณนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถและพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคาที่ให้ผลไม่แน่นอนจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละถึงบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพานเป็นปัจจัยแห่งโคตรภูโวทานและผลโดยทิปฏิปัจจใจมุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหทัยวัตถุและขันธ์ที่ผลไม่แน่นอนให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาที่ให้ผลไม่แน่นอนจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหาหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนเป็นปัจจัยแค่สชวายุตคันและจิตตสมุทฐานรูปโดยทิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียว คือระมนาธิปติได้แก่นิพานเป็นปัจจัยแข่มมักโดยที่ปฏิปัจจัยอนันตรปัจจัยเป็นต้นส34สภาวะธรรมที่ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นโดยอนันตรัพปัจจัยได้แก่มักเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอนันตรัพปัจจัยขันธ์ที่ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแข็มวุฐานะโดยอนันตรปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม <Pues> ่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นโดยนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ผลไม่แน่นอนซึ่งเกิดปั่งกอนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ผลไม่แน่นอนซึ่งเกิดหลังๆโดยนันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานผลเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมเป็นปัจจัยแก่พะละสมาบัติ ในวาสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่งพระสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอกรลทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยอนันตรปัจจัยได้แก่โทมนัสที่ให้ผลไม่แน่นอนเป็นปัจจัยแก่โทมนัสที่ให้ผลแน่นอนมิฉาทิฏฐิที่ให้ผลไม่แน่นอนเป็นปัจจัยแก่งมิฉาทิฏฐิที่ให้ผลแน่นอนโดยอนันตรปัจจัย โตรภูเป็นปัจจัยแข่มมากโวทานเป็นปัจจัยแข่มมากโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสำนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตะปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิสยาปัจจัอยสา5สิห้า สภาวะธรรมที่ผลแน่นอนเป็นปันจจัยแห่สภาวะธรรมที่ผลแน่นอนโดยอุปาณิสยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปะทะทูปาณิสยะได้แก่มาตุฆาตกรรมเป็นปันจจัยแห่ม า, ารรมตุฆาตกรรมปิตุฆาตกรรมอรหันตฆาตกรรมโรหิตตุ ป, ปาทกรรมสังฆเพทกรรมและนิยะตมิฉาทิฐิโดยอุปาณิสยปัจจัยพึงผกมมูกเป็นจักรนัยปฐมมรรคเป็นปัจจัยแห่โทูติยมรรค ทุติยมรักรเป็นปจัจจัยแก่ตติยมรักตติยมรักเป็นปัจจัยแก่จัตุธมรักโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยอุปาณิสยปัจจัยจมีสามอย่างคืออารมโมปาณิสยอาอนันตารูปาณิสยาและประกระตูปาณิสยาประกระตูปาณิสยาได้แก่บุคคลปรุงชีวิตมารดาแล้วทำลายสง ประสงค์จะลบล้างกรรมชั่วนั้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถพระอริยะอาศัยมักแล้วทำสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วเป็นปัจจัยแก่ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและไม่ใช่ฐานะโดยอุปนิสัยปัจจัยมักเป็นปัจจัยแก่งพระสมาบัติโดยอุปนิสัยปัจจัย3ามรสามสิภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้น เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปะนิสยอันันตูปะนิสยและปกรตูปนิสยาปกรตูปะนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ผลไม่แน่นอนแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถธรำฌานวิปัสนาอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n นะถือทิฏฐิ อาศัยศีลที่ผลไม่แน่นอนปัญญาราคะความปรารถนาะสุขทางกายทุกข์ทางกายเสยนาชนะแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่ผลไม่แน่นอนเสนาชนะเป็นปัจจัยแห่งศรัทธาที่ผลไม่แน่นอนความปรารถนาะสุขทางกายทุกข์ทางกายและพลัสสมาบัติโดยอุปาเนียปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยาการทั้งสองนั้นเป็นปัจแจแัยแก่สภาวะธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปะนิสยาอันันตารูปะนิสยาและปกระกตู ป, ปนิสยาปะกะตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยราคะที่ให้ผลไม่แน่นอนแล้วปรุงชีวิตมารดาทำลายสง์อาศัยโทมานะที่ให้ผลไม่แน่นอนเสนาสนะแล้วปรุงชีวิตมารดาทำลายสง์ ราคาที่ผลไม่แน่นอนโทมนัตเสนาชนะเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมและถึงสังฆเภทฆากรรมโดยอุปาณิสยปัจจัยบริกรรมปฐมมรรคเป็นปัจจัยแค่ปฐมมรรคและถึงบริกรรมจัตุธรรมรรคเป็นปัจจัยแค่จัตุธรรมรรคโดยอุปาณิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยเป็นต้นสาม้อยสาสิบเสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้น เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะย่อสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ผลแน่นอนโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่ รูปปัจจิวิตินสีเป็นปัจจัยแห่งมาตุฆาตกรรมเปตุฆาตกรรมอรหันตฆาตกรรมโรหิตตุปาทกกรรมโดยปุเรชาตะปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่ภาษทยวัตถุเป็นปัจจัยแข่งขันที่ผลแน่นอนโดยปุเรชาตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวัณปัจจัยมีสองวาระกรรมมะปัจจัย ส38สภาวะธรรมที่ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ผลแน่นอนโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแห่งสัมยุทธะขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการ ท, ทั้งสองนั้นโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนะานาคณิกะสหชาตะได้แก่ เจตนาที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแข่จิตตสมุทฐานรูปโดย k a มมะปัจจัยนานาคณนกะได้แก่เจตนาที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแข่ขันที่เป็นวิบาก แ, และกระตัตตารูปโดย k ามมะปัจจัยเพิ่เพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแข่สัมยุญตขันและจิตตาสมุทฐานรูปโดย k a r มปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น เป็นปัจจัยแห่งภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นโดยคำม่ปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณนกะย่อเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยมรคปัจจัยมีสี่วาระ เป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับอรูปปัทุกกะเป็นปัจจัยโดยอัิปัจจัยมีเจดวาระเหมือนกับอรูปาวจรทุกกะเป็นปัจจัยโดยนัติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังคยาวาระ 339เก้ตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตะปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสียปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสียปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระ ปัจชาชาตปัจจัยมีสองวาระอเสวณะปัจจัยมีสองวาระกรมมปัจจัยมีสี่วาระวิบากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาระปัจจัยมีสี่วาระอินทรียปัจจัยมีสี่วาระชานะปัจจัยมีสี่วาระมัคคะปัจจัยมีสี่วาระฉัมปยุตตะปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีเจดวาระนติปัจจัยมีสามวาระ วิคตาปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีเจดวาระ 2. ปัจจน尼ยุทธาระอยสสภาวธรรมที่ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ผลแน่นอนโดยสหชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแขกสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยอารมณ์ปัจจัยสหชาตปัจจัย อุปาเสยปัจจัยปัจชาชาตะปัจจัยและกรรมะปัจจัยสภาวะธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยปาชาตะปัจจัยส41สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นโดยอรมณปัจจัยสะชาตะปัจจัยอุปาินสยปัจจัย ปุเรชาติปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารรปัจจัยและอินทรียาปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนโดยอระมณปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยและปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอน โดยสหชาตะปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ผลแน่นอนโดยสหชาตะปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอหารปัจจัยและอินทรีย์ปัจจัย2ปัจจยะปัจจนียะ 2. สังคยาวาระ342นาเหตุปัจจัยมีเจดวาระ ณอารามณณปัจจ an ัยมีเจดวาระณอธิปติปัจจัยมีเจดวาระณอนันตระปัจจัยมีเจดวาระณสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระณสหชาตปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนเนสียปัจจัยมีห้าวาระณอุปเิสียปัจจัยมีเจดวาระณปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเจดวาระ และถึงณสัมำยุตตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจใจมีสี่วาระโนอธิปัจใจมีสี่วาระโนนัิปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระโนอวิคตะปัจใจมีสี่วาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ3ามอาณอารมณปัจจัยกับเพตุปัจใจมีสี่วาระ ณอธิปติปัจใจมีสี่วารนะณอ น, นนะันตระปัจใจมีสี่วาระณสมนันตะระปัจใจมีสี่วารนะณอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระณอุปาณิสยปัจใจมีสี่วาระละถึงณนะสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตะปัจจใจมีสองวารนะโนนัถิปัจใจมีสี่วาระโนวิคตปัจใจมีสี่วารวะส ปัจยะปั จ, จนียานุโลมสามร้อยสี่สิบสี่ารมณะปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสามวาระ อ, อธิปติปัจจัยมีห้าวาระพึงขยายบทอนุโลมมาติกาให้พิสดารและถึงอวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระนิยตะทุกกะจบ ทุกข์หนึ่งปฏิจจวาระสามร้อยสี่สิบห้าสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะเพิ่มเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายใน เหมือนกับโลกิยะทุกกะในจุลันตระทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันสอุตรทุกกะจบหนึ่งร้อยสารณะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัยสามร้อยสี่สิบหกสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้จัดร้องให้เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองมีห้าวาระเหมือนกับอรูปาวจรทุกะและเหมือนกับปฏิจจวาระฝ่ายอนุโลมเหตุุปัจจัยมีห้าวาระอรมาณะปัจจใจมีสองวาระอธิปติปัจจใจมีห้าวาระและถึงวิบากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ อนุโลมจบสภา ว, ธร ร, ว, ราภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรรค ด, ด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรคต ด, ด้วยอุทจะอาสัยขันที่โสหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรคตด้วยอุทจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้น เพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมถฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นเหตุให้สัจร้องให้เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุตกะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาสันนิสัตถพรมนะเหตุตุปัจจัยมีสองวาระน่ะอรมณปัจจัยมีสามวาระนะอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระนะอนันตรปัจจัยมีสามวาระ ณสมณันตรปัจจัยมีสาวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสวาระณอุปาทิเสยปัจจัยมีสวาระณปุเรชาตปัจใจมีสี่วาระณปัจฉาชาติปัจจใจมีหวาระณอเซวนปัจจใจมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีหวาระณอาหารปัจจใจมีหนึ่งวาระณอินทรียะปัจจใจมีหนึ่งวาระ นาชานาปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะฆาปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมยุญตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตะปัจจัยมีสองวาระโนนาธิปัจจัยมีสามวาระโนวิขตปัจจัยมีสามวาระปัจญจียะจบการนับสองอย่างนอกนี้และสหชาตาวาระพึงทำอย่างนี้หนึ่งรสรณทุกกะสามปัจจยาวาระ หปัจยยะจตุกรนัยสามอยสี่สิเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตร้องไหท้ทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองพึงทำเหมือนกับปัจยวาระแห่งอรูปาวจรทุกระเหตุปัจจัมยมีก้าววาระ อารามณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิกตปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบสามร้อยสี่สิบปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุุปปัจจัยได้แก่โมหะที่สะหรโคด้วยวิจิกิจจาและที่สะหรคตด้วยอุทจจะ ทำขันท di ี hmm, <ged> ่สหะรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหะรโคด้วยอุทะจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จั์ร้องไห้ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตดร้องไห้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุตัปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสอง ในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกะเพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรมจากผูวิญญาณทําจำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทํากายายะตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สักร้องไห้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะในเหตุตุ ป, ปั จ, จได้แก่ ع. โมหะที่โสหรโครดุวิจิกิจฉาและที่โสหรโคดุอุทะจะ ธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้ น, นสภาวธรรม ท, ที่เป็นเหตุให้สับร้องไห้ธรรมสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สับร้องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้สับร้องไห้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเ <yan> พระเาะน่เหตุตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สห uh รคต ด, ด้วยจิกิจฉาและที่สห uh รคตด้วยอุทัจจะทำขันธ์ที่สห uh รฆว ด, ดุจิกิจฉาที่สห uh รคต ด, ด้วยอยุทัจจะและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ณเหตุปัจใจมีสี่วาระณอารมณปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระณอนันตรปัจจัยมีสามวาระณสมนันตรปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปาณิเสยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจใจมีสี่วาระณปัจฉาชาตปัจจใจมีเ้าวาระณอาเสวนปัจจัยมีเ้าวาระ นกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนัฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระนักสัมยุญตปัจจัยมีสวาระนวิปุญตปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสวาระโนวิคตะปัจจัยมีสวาระ ปัจจญญาจบการนับสองอย่างนอกนี้นิสยาวาระและสังสถาวาระพึงทำอย่างนี้พึงเพิ่มเป็นสองวาระในที่ทุกแห่งเหตุปัจจัยมีสองวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตาปัจจัยมีสองวาระอนุโลมจบในเหตุปัจจัยมีสองวาระ นอธิปฏิปัจัยมีสองวาระนาปุเรชาตปัจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจัยมีสองวาระนาอจิวะณปัจัยมีสองวาระนกรรมะปัจัยมีสองวาระนวิปากปัจัยมีสองวาระนาชานะปัจัยมีหนึ่งวาระนมะคราปัจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจใจมีสองวาระปัจญิยะจบการนับสองอย่างนอกนี้ และสัมบุญตะวาระพึงทำอย่างนี้หนึ่งร้อยสารณะทุกะเจ็ดปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยสามร้อยสี่สิบเก้า สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยเหมือนกับอรูปาวจรทุกระมีสีวาระอรมณะปัจจัยสร้ยห้าสสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยอรมณะปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลเพลนราคะเพราะรบความยินดีเพลเพลนราคะนั้น ราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจจาอุทัจจะโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลเพลินทิฏฐิเพ ร, ราะปรารบความยินดีเพลเพลินทิฏฐินั้นราคะ จ, จ, จ, จ, จึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจจาอุทัจจะเพราะปรารบโทมนัสโทมนัสจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจจาอุทัจจะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ โดยอารมณะปัจจัยได้แก่พระอริยะพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เฟืเฟิดขึ้นเห็นแจ้งขันที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร้่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ด้วยเจโตปริยญาณขันที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแห่เจ ah โตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณ ยถากรรมูปะพยานอนาคตังสายานและอวัชนะจิตโดยอา ร, รมณะปัจจสา้อยห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้โดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศียรรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌาน พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจจยแห่โคตรภูโวโานมรรคผลและอวัชนะจิตโดยอรมณปั จ, จัจบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเห็นรูปด้วยทิประจักขุและถึง เป็นปัจจัยแก่อนาคตตังสยานและอวัชนะจิตโดยรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัสดร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัสดร้องไห้โดยอรมณ์ปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานจมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลเพลิงขุศล น, นั้นเพราะปรารกฏความยินดีเพลเพลิงขุศล น, นั้นราค่จึงเกิดขึ้นละถึง บุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานยินดีเพลิดเพลินจากสุพาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุให้จาร้องไห้เพราะปรารุบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะโทมานต์จึงเกิดขึ้นอธิ ป, ปติปัจิใจสามร้อยห้าสิบสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จาร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จาร้องไห้โดยอธิปติปัปจจัยมีสองอย่าง คืออารมณนาทิปติและสหชาตาธิปติอารมณนาทิปติได้แก่บุคคลยินดีเพล่ดเพลินราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพล่ดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพล่ดเพลินทิฏฐิให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เป็นปัจจัยแฉดจำปัจจุบัน โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัจร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้โดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัจร้องไห้ และที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยทุติปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธทิปดีธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจใจแก่สัมพยุตตะขัน์และจิตตสโมท า, านรูปโดยทุตปฏิปัจใจสา้อยห้าสิบสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้เป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยทธิปติปัจจัยมีสองอย่าง คืออารมณนาธิปติและจาชาตาทิปติอารมณนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถและพิจารณากุสนนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุสลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามากให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น นิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโ ว, วทานมรรคและผลโดยอธิปฏิปัจจัยสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปฏีธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยทิปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้โดยทิปฏิปัจปจัยมีอย่างเดียวคืออารมานาทิปฏิดได้แก่ บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพื่อเพลิงกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพื่อเพลิงกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพื่อเพลิงกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละถึงยินดีเพื่อเพลิงจากสุมาทายวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตระปัจจัยเป็นต้นสามห้าสสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งเกิดหลังๆ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 ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุใ ห, <g apples> ให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแฝงขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุใ ห, <g modern ization> ให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โครตระภูและถึงพระสมาบัตโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยอนันตระปัจจัยได้แก่อวชนาจิต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 โดยอุ ป, ปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมโน ป, ปนิสยัยอนันตารู ป, ปนิสยัยและปกรตู ป, ปนิสัยปกรตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยราคะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงอาศัยโทสะความปรารถนาแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสง์ราคะความปรารถนาเป็นปัจจัยเก่ราคะความปรารถนาโดยอุ ป, ปนิสัยปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคือนนตะรูปปาณิสยาและปกระตูปาณิสยะปกระตูปาณิสยะได้แก่บุคคลอาศัยราคะแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานวิปัสนามัจอภิญญาสมาปติให้เกิดขึ้นอาศัยโทสะความปรารถนาแล้วให้ทาน ทำสมาบัติให้เกิดขึ้นราคะความปรารถนาเป็นปจัจจัยแฉะสตธาปัญญาสุขทางกายทุกข์ทางกายมรรคและพรัสมาบัติโดยอุปาณิสยปัจจัย3ามห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยอุปาณิสยปัจจัยจมีสามอย่างคืออรมณูปาิสยาอันันตรูปปาณิสยา และประกาตูปะนิสยะประกาตูปะนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานรำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้น ศ, ศรัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแห่ศรัทธาปัญญาสุขทางกายทุกทางกายมรรคและภารสมาบัติโดยอุปนิสยาปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิสยาอนันตารูปาณิสยาและปะกะตูปาณิสยาปะกะตูปาณิสยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะเถรทิฐิอาศัยศีลเสนาสะนะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงศรัทธาเสนาสะนะเป็นปัจจัยแก่ราคะ ความปรารถนาโดยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยเป็นต้นสามห้าสิบแสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้โดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาติอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุมาทายวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง เห็นรูปด้วยที่ปัจจักขุฟังเสียงด้วยที่ปโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแห่จักขุวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแห่งกายวิญญาณวัตถุปเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแห่จักขุวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่งกายวิญญาณมหาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแห่ขันที่ไม่เป็นเหตุห้สัตว์ร้องไห้โดยปเรชาตปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขอาทัยวัตถุเพราะปรารฏความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมณัตจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่ ภาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยบุเรชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตาปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวณะปัจจัยมีสองวาระกรรมวัตปัจจัยสามห้าสสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยกรรมวัตปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ เป็นปัจจัยแคร่จำปรยุติขันโดยกรรมปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้สัตร้องให้เป็นปัจจัยแค่จิตตสมโธฐานรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณนกะได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้สัตวร้องให้เป็นปัจจัยแค่ขันที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัย เพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขนันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณนกะสหชาตะยอ่อเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยชาณะปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระเหมือนกับอรูปทุกะอธิปัจจัย360กสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สับร้องไห้ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัจร่องไห้โดยอธิปัจจัยย่อสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัจร่องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัจร่องไห้โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัจร่องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัจร่องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้สัจร่องไห้โดยอธติปัจจัยย่อ ส, ส, สามหสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ส <quote> <sin> ัจร้องไห้โดยอธิป <luck> ัจ <sava> จ <They orld> ัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัจร่องไห้เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้โดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่ บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุอาทัยวัตถุเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทรรมานต์จึงเกิดขึ้นอาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้โดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะ และปุเรชาตะโย่อสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจชาชาตะมหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่คันที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้และมหาภูตรูปเป็นปันจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอัติปัจจัย ปัจฉาชาตะได้แก่คันที่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้และเกลืนกราหานที่เป็นปัจจัยแ่กายนี้โดยอธิ ป, ปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันที่เป็นเหตุให้สับร้องไห้และรู ป, ปรชีวิตินรสี่เป็นปัจจัยแขกตาตารูปโดยอธิ ป, ปัจจัยหนึ่งปัจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนสายหกสองเฮตุ ป, ปัจจัยมีสี่วาระ อารามณปัจใจมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอานันตร์ปัจใจมีสี่วาระสมนันตระปัจใจมีสี่วาระสหชาติปัจจัยมีห้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสยปัจใจมีสี่วาระโพเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสนณปัจจัยมีสองวาระ กรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทรียปัจจัยมีสี่วาระชานะปัจจัยมีสี่วาระมรรคปัจจัยมีสี่วาระสำปรยุติปัจจัยมีสองวาระวิปรยุติปัจจัยมีสามวาระอัติปัจจัยมีเจดวาระนัตติปัจจัยมีสี่วาระวิคตปัจจัยมีสี่วาระ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 สหชาติปัจจัยอุปนิเสสะปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยกรมมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ส course, ii, ักร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สักร้องไห้โดยอารมณปัจจัยอุปนิเสสะปัจจัยและปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สักร้องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้สะกรร้องไห้ เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้โดยสหชาตะปัจจัยและบุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้โดยสหชาตะปัจจัยปัจาชาตะปัจจัยอหาราปัจจัยและอินทรียปัจจัย 2. ปัจยะปัจญญาสองสังคยาวาระสุทไน สามร้าณเหตุปัจจัยมีเจดวาระณอารมณปัจจัยมีเจดวาระณอธิปติปัจจัยมีเจดวาระณอนันตระปัจจัยมีเจดวาระณสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระณสหชาติปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณนิสียปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสียปัจจัยมีเจดวาระณบุเรชาติปัจจัยมีหกวาระ ณปัจฉาชาตปัจจัยมี7ดวาระละถึงณสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระณวิบุตตปัจใจมีสี่วาระโนอัติปัจใจมีสี่วาระโนนาิปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจ็วาระโนอวิคตะปัจใจมีสี่วาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจญยะสามรอยหกสิณอรัมณปัจใจกเพสตุปปัจใจมีสี่วาระ ณอาทิตติปัจใจมีสี่วาระละถึงณสมนันตระปัจใจมีสี่วาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระณอุปาณิเสยะปัจใจมีสี่วาระละถึงนสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระณวิพยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนะติปัจใจมีสี่วาระโนวิคตะปัจใจมีสี่วาระ 4. ปัจจยะปัจจญียนุโลม สามอหกสอารมณะปัจจัยคำนั้นเหตุปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีสี่วาระพึงถือตามบทอนุโลมมาติกาพระถึงอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระสารณะทุกะจบเวทิตุกะจบธัมมานุโลมทุกกะประธานจบ